ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายลบรรดาลูกหลานที่รักวันนี้ก็มาพบกับบรรดาลูกหลานตามเคยแต่ด้าวาก็ขอต่อเรื่องราวของมโหสถจะได้ไม่ยดนชามะมะด้าเมื่อมโหสถกลาวทูลพระราชาตามที่กล่าวมาวันก่อนนั้นว่าบิดา กับมันดาบิดากรบลูกเนี่ยใครจะดีกวันเสมอไปจริงไหมขอย้อนสนิท ด, ดีกว่ามาบ ร, ราชามอถามโมโหสดนรสดยังกลับทูลว่าข้าแต่สมมติเทพเหตุเจนไหนเหตุไรจึงทรงรับสั่งดังนั้นเมื่อกี้นี้พระองค์ทรงตัดว่าบิดาจะทรงขคัาบุษ บิดาย่อมสำคัญกว่าบทเสมอไปไม่ใช่หรือเจ้าค่ะถ้าพระราชคำนัดทั้นเป็นความจริงลาก็หาความสำคัญกว่ามาไม่อมาสดอนไม่ขอพระองค์จรงรับลานี้ไว้ถ้ามาสดอนมีความสำคัญคัญกว่าก็ขอให้พระองค์ทรงรับมาสดอนไว้ไม่หมายความว่าตอนนี้ตอนที่บัณฑิตร่อยยอะนะ่อน่ พระราชาเสียใจก็ต้องการมาสดรลแต่ว่าพระราชาเขาถามว่ า, ร, ล า, ลาราคาตัวเท่าไรฉันบอกไปกระหับนะถ้ามาสดรราคาเท่าไรพระราชาบอกตีราคาไม่ได้เขายขังได้กแก้ปัญหาว่าเมื่อกี้นี้บัณฑิตของพระองค์ ซึ่งไม่รู้เหตุไม่รู้ผลเป็นคนโง่ขนาดนั้นนี่เด็กอายุจิตขวบจนะล่อไอ้เท่าหัวงูเข้าไแล้วไอ้เท่าหังูแล้วว่าเท่าสารพัดพิษยอย่างนี้นะลูกหลานให้รักอย่าคบไวนะบ้นะบัณฑิตแปลว่าคนฉลาดแปลว่าคนมีปัญญาแต่ว่าบัณฑิตสี่บัณฑิตที่หาค่าในด้านปัญญาไม่ได้เลยบัณฑิตเขาโรมพากันตบมือหัวเราะเยาะข้าพระพุทธเจ้าว่าโอนหนอ พระราชาไปได้บัณดิตเหล่านี้มาจากไหนช่างไม่มีปช่างมีปัญญาดีจริ ง, รงๆเนี่เขาเยอ่เยอขเอขาเย้ยเขาย่ะว่าพระราชาโงา่เอาคนโง่ๆเข้ามาในพระราชฐานจะมีประโยชน์อะไรเขาว่าอย่างนั้นเพราะว่าภายในลูกรักนะเป็นหมด ในตอนนี้มโหสถได้ขยายความต่อไปข้ากราบทูลว่าขอเดชะข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐตาพระองค์สำคัญว่าวิดาประเสริฐกว่าบุตรลาตัว น, นี้ก็ประเสริฐกว่ามาสนรเพราะว่าลาเป็นแม่เป็นพ่อของมาสนรขอพระองค์ จงรับพระราชวิดาของข้าขอขอขอพระองค์จงรับบิดาข้าพระพุทธเ จ, จ้าไว้เถิดเป็นเจ้าค่ะเพราะว่าวิดาประใส่กว่าบุตรแต่ถ้าบุตรเราใส่กว่าวิดาก็ขอได้โปรดรับข้าพระพุทธเจ้าวไว้อาระสินี่มันเป็นปัญหาที่เราคิดจะไม่เถียงนะลูกหลานที่รักฟังไว้ดีมีประโยชน์และลูกหลนก็ต้องจําลูกหลานจงคิดด้วย ฝ่ายพระเจ้าวิเทยราชเดช ส, สงสดับคำคมคายของมโหสถ ด, ดังนั้นก็ทรงสงมนักตนยินดีราชบริษัทบรรดาประชาชนที่ประชุมกันดีนั้นก็พากันแซ่ท้งสาธุการสรรเสริญมโหสถว่ามโหสถบันฑิตพูดถูกต้องนี่จำมันนะลูกหลานที่รัก ทีหลังถ้าโตไปเป็นผู้ใหญ่แล้วก็อย่าดูถูกเด็กเด็กๆถ้าเขามีปัญญาเราก็ควรจะยอมรับนับถือราชบริใส่ข้พากันสันเสนว่าทหอสดนี่พูดถูกต้องมีเหตุมีผลเสียงตบมือก็นังกับกล้องเขาถูกซึ้นทั่วประสาทมันลิตเตลสี่คนพากันมีสีหน้าซีดเผือดซบเซาไปตามๆกัน นี่โดนเจ้าเท่าหัวงู ห, หรือเจเท่าสารพัดพิษโดนสยาช้างสานกระทืบก็ออแล้วใช่ไหมกระทืบด้วยปัญญานะการที่มโหสดบัฑิ ก, ก ร, ราบทูนพระราชาดังนั้นก็ไม่ได้ใช่ว่าจะเป็นการดูถูกะบิดามาันดาแต่ว่าเป็นการก ร, ราบทูนเพื่อเป็นการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น จึงแก้ให้เป็นหาเป็นหาอีกฝ่ายหนึ่งจำหนนไปด้วยความโง่ของตนนี่สำหรับฝ่ายพระเจ้าวิเทหาราชทรงมีพระไทยผ่องใสดีใจสแสดงนความสมานัตและพอพระไทยมโหสถมากจึงได้จับพระเต้าทองคําพระเต้าทองคำนี่ความจริงให้เป็นคนโทคล้ายๆกับดต่อขนมเต่า เขาทำในทองคำทรงจับพระเจ้าทองคำเต็มบรินํำหลังลงในมือเขาสืวิวัฒนตาากา ศ, ศษรีผู้เป็นบิดาแล้วจัดว่าท่านเศรษฐีจงปกครองปาจีนยวมัชาคมทั้งหมดเถิดอันนี้เป็นวิธีของพราหมลูกหลาน พิธีของพราหมณ์นะครเขาจะให้อะไรกันแล้วก็ให้ฝ่ายเหมืองแบนฝ่ายหนึ่งแบมือมาแล้วก็ราดน้ําลงไปในมือเพดำเนการให้การจะแต่งงานขอลูกสาวขอทรัพย์ขอสิ่งอำนวยมกันถ้าเขาจะมอบให้ก็ให้อีกฝ่ายหนึ่งแบมือมาแล้วก็ราดน้ำไปในมือฉะนั้นพิธีตรวจน้ํำของเราในความจริงในพระพุทธศาสนาไม่ได้ใช้น้ํา แต่ว่าพระเจ้าพิมิสาลท่านทำลายองค์แรกติดแบบคองพราหมณ์จะในใช้น้ำเวลานี้เราก็เลยใช้น้ำไปตามๆกันเดี๋ยวเมื่อกี้ไปจบตรงไหนอเพราะว่าจงปกครองปจรจิญ ว, วัตนธรรมทั้งหมดเถิดเป็นว่าให้พ่อเป็นผู้วรีการจังหวัดหรือ ว, ว่าความนั้นหรือว่าปกครองรัฐซัดนั้น แล้วพระพราราชาก็สรงพระรายาไทยเครื่องระดับทรงให้แกนาสมณเทวีเพราะว่าถ้าเป็นพญญาเอาผู้ปกครองรัฐและยหวงวแคนที่ขึ้นกับพระองค์ก็ถือว่าเป็นพระราชาน้อยๆสำหรับสมณเทวีผู้เป็นมันดาขโมสดก็ต้องเป็นพระราชนีน้อยน้อยเหมืนอนกันถ้าถ้วกันดียก่อน แล้วก็กลับทรงเลื่อมใสในในปัญหาชอบใจในปัญหาหลาจียงไต่กระทั้งเศรษฐีว่าท่านเศรษฐีเราขอมอโหสถรับไปเป็นราชบุตรของเราท่านจะคัดข้องหรือไม่ท่านเศรษฐีทูลคายค้านว่าข้าแต่พระองค์มโหสถลูกชายของข้าพระองค์นี้ยังเป็นเด็กมากนัก อายุเพียงเจ็ดปีแม่เด็กาอายุเจ็ดปีนะน้ำนมยังไม่หมดจากปากถ้าพระองค์เอาไว้เมื่อเธอเป็นผู้ถ้าหากว่าพระองค์จะทรงรับไว้เพอเธอเป็นผู้ใหญ่เสียก่อนข้าพร ะ, ะ, พ, ระพุทธเจ้าเห็นไม่อยากผลพระเจ้าค่ะถ้าเป็นผู้ใหญ่แล้วจะนำมาอยู่ในพระราชสนักเห็นจะสงคนกว่าพระเจ้าค่ะ เพราะเวลานี้เด็กมากเกินไปเพราะเด็กๆอาจจะมีความเข้าใจผิดจะซุกจะสนจะเปเหตุให้ผิดพระราชประเพณนนีอาจจะมีโทษได้พระราชาตนรนวดว่าข้อ น, นั้นท่านยวิตกเว่านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเนะี่ยถ้าไม่ต้องเป็นยยห่วงใหญ่มโหสดท่านนี้เ พ, พราะอะไรเพราะว่ามโหสดไม่ได้อยู่ในฐานะราชโอการักษ มโหสถไม่ยอยู่ในนันในฐานะเขาเรียกอะไร่ะมหานเล็กหรือคนรับใช้มโหสถนี่อยู่ในฐานะที่เป็นบทของฉันฉันขอรับมโหสถเป็นบทของฉันนับตั้งแต่เวลานี้เป็นตนไปฉันพอใจทจะเลี้ยงลูกของฉันได้ ท่านจงพากันกลับไปเถิดเยี่ยห่วงเลยเวลานี้ถือว่าวโหวสุดไม่ใช่ลูกของท่านแล้วเป็นลูกของฉันเอาละสิเอาละสิเรื่องของพระราชาสมัยนั้นเกับพระราชาสมัยนี้ไม่เหมือนกันเป็นอนุา ร, ราชาต้องการที่อย่างหนึ่งทํำยังไงยังไงเททีก็ต้องให้แล้วก็ไม่ต้องการไปกัดไปขังอาไปลงโทษ ต้องการให้มาเป็นพระราชโอรสฟังเรื่องต่อไปเสฐีกลับถวายบังคมพระราชานแล้วทร ง, งแล้วก็เข้าไปตรงเข้าไปสวมกอดมโหสถให้นอน น, นอนแนบนอกจุมพิษที่ศีรษะคือจูบที่หัวแล้วก็ให้อวาทว่าพอมโหสถโลกครับ พ่อรักเจ้าเหมือนก็นดวงใจของพ่อตั้งแต่นี้ต่อไปพ่อจงรับราชการสนองพระเดชพระคุณพระจะอยู่หัวของเราโดยไม่ประมาทรือว่าอย่าประมาทอย่าที่เสมออย่านึกว่าโตัวิเศษสำหรับมโมโหสดได้รับโอวายของบิด้แล้วกล่าวว่าคุณพ่อ คุณพ่อเย่าตั้งเยาวิตอกครองยายไปเลยเชิญคุณพ่อกลับบ้านเชิญครับผมสามารถที่จะเอาตัวรอดได้เมื่อท่านมหาสถิกลับเป็นแล้วพระราชาได้ถามโอหสถว่าพ่อบัณฑิตจะเป็นข้าหลวงเรือนในหรือว่าเป็นข้าหลวงเรือนนอกขก า, าเรือนในเรือนนอกไอเรือนในนี่ก็อยู่ในเขตพระราชฐานจริงๆ อยู่ในรั้วในวังถ้าเรือนนอกก็อยู่นอกรั้วนอกวังแต่ว่าเข้าเฝ้าได้ทุกปันโมโหสดก็มาคิดว่าตนมีเพื่อนเด็กๆมากมาเด็กๆตั้งพันคนควรจะเป็นข้าหลวงเดินนอกเรือนนอกดีกว่าจึงกราบทูลว่าข้าพระพุทธเจ้าขอเป็นข้าหลวงเรือนนอกพระเจ้าค่ะเรือนลูกหลานที่รักเิ้งความเปฉลี่ยก็โมโหสดไหมไม่เคยเข้าพระราชวังเลย แต่เขาก็มีความรู้ชัดว่าอะไรมันดีอะไรมันชั่วนเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเขาลูกหลานจงจำฟังและจงใช้ความคิดพูดกับใครแล้วอย่ารับฟังเฉยๆใช้ปัญญาพิจารณาเป็นปด้วยหาเหตุหาผลคนที่ดีเนี่ยเป็นคนมีเหตุมีผลไม่ใช่คนทำลายชาติ คนทำลายชายเข้าดีแล้วก็ยุให้รำทำให้รั่วมีความทะเยอทยานอยากจะเป็นใหญ่เป็นโตพอมาเข้ามาบริหารประเทศบริหารจังหวัดบริหารตำบลบริหารหมู่บ้านบริหารบ้านเขาแล้วคนประเภทนี้สร้างความเดือดร้อนทุกจุดคนโง่ประเภทนี้เขาบรรดาลูกหลานที่นักจงอย่ารับฟังอย่ายอมรับนับถืออย่าคบหาสมาคม เพราะว่าพระพุทธเจ้ากล่าวว่าถ้าคบคนผ่านเรามีส้นดานชั่วมีแต่ความแดืดร้อนครบวันฑิตเราจะมีความสุขและจงบูชาคือยอมรับนักธิคคนดีที่ควรจะการบูชาต่อไปคือกันต่อไปพระราชาโสงรโอโหสดไว้เป็นข้าโรวงเรือนนอกแล้วก็พระราชทานเคหสถานพร้อมในเครื่องอุปโภคบริโภคทุกสิ่งทุกอย่าง พพระราชาทานให้ตลอดจนถึงเพื่นเด็กๆขโมหสดทั้งพันคนก็ให้ด้วยเพื่อบาดารดาแต่งตัวสวยรวหรูมโหสถรับประชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนด้อยู่เป็นผ้าศบสานานตลอดมาต่อมาพระเจ้าวิถีพระราชทรงมีพระราชประสงค์จะลองปัญญามโหสถต่อไป ปรากฏวา่าในเวลานั้นที่ริมนม้ำโศกสะปกรณีซึ่งอยู่ทางทิศทักษิณของพรนครมีต้นตาลอยู่ต้นหนึ่งบนต้นตาล น, นี้มีรังกาแล้วก็มีแก้วมั น, นีอยู่ในรังเงาของแก้วมั น, นีได้ฉายลงไปในสะปกรณี มรนดามหาชนในนำความทั้งกราบทูลพระราชาว่าข้าแต่พระองค์พระบเสดบัดนี้แก้วม น, นีปรากฏว่ามีในสับปกณีดวงหนึ่งพระเจ้าข่าพระราชาจึงตัดเรียกเสียนกมาถามว่าท่านอาจารย์ไม่ลองอาจารย์เก่านะตอนนี้พิสูจนกันแล้วว่าใครแน่ไม่แน่ว่าท่านอาจารย์ ท่านอาจารย์เสียนกท่านเท่าสรารพัดพิษท่านมีจิติเสีญยะนี่พ่อว่านะปู่ว่าเองท่านนี่ว่าท่านอาจารย์เสียนกพระราชานะี่ยจะมีความรู้สึกอัอั้นตันใจชอบใจไม่ชอบใจใครก็ต้องวาง อ, อุเบกขาทันนี้เพราะอะไรก็ก็ว่าถ้าหากว่าไปตั้งท่าตั้งทางไปทำหนี้ตีเตียงเขาเข้าแล้วก็มันก็เกิดโทษ เขาจะหาว่าพระราชาไม่ทรงทศพิ ธ, ธราชธรรมต้องหวานอมขมกลืนอยู่ตลอดเวลาพระราชาจงเรียกเทนกันกาถามว่าถ้าอาจารย์เสนกผู้มามีคนเข้ามาบอกว่าในสาวกกรณีนี้มีแก้มวมณีโดนหนึ่งเราจะเอาแก้วมณีขึ้นมาได้ยังไงถ้าอาจารย์เสนกจะได้กาบทูลไปอย่างโง่โงว่า ควรแย่คนวิตน้ำในสาให้แห้งแล้วก็จึงจะได้แก้วมณีมาเอาละสิเนื้อใจโง่ๆแบบนี้นะก็เหมือนกับบางคนบางคนที่เขาเคยทำลายชาติที่ชาวต่างชาติเข้ามาสร้างเครื่องอุปกรณ์ต่างๆซึ่งเป็นประโยชน์กับประเทศไทยก็สั่งให้เขาลื้อไปเสีย เงินทั้งหลายที่มันหลั่งไหลเข้ามาสู่ประเทศช่วยได้การเศรษฐกิจก็ทําลายเสียทรัพย์สินที่ยกระดที่คนจะได้ภาสี่ก่อนก็ทําลายเสียจะมาเทศไทยเราย่อยับคนประเภทนั้นเขาเชิงกับสารนบปณิตนี่แหละแต่ว่าในการนี้คนประเภทนี้ปรากฏมาเมื่อหลายสิบปีมันแล้วเพราะว่าคนสมัยนั้นคนยังโอ้ยู่ โน่นะไม่ใช่ไลายสิบปีนะหลายร้อยปีนะในสมัยกรงสียติยานั้นมันไม่อยู่ว่าคนเลวๆอย่างนี้มีอยู่ที่ประเทศชาติเราต้องแต่ทําลายไปก็เพราะคนจังไรประเภทนี้นะั่นแหละมีแต่ลมอิจฉาและเสียอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากมีความร่ํารวยอยากเจริญรุ่ายของประเทศแล้วค่อยติคนนั่งค่อยว่าก่อนนี้ที่จังหวัดอุจจาะ ทวงสียาเราต้องแตบจนสองครั้งก็เป็นคนที่มีใจออกห่างไม่มีความรักประเทศชาติอย่างนี้มันก็คนโ ง, ง่ๆแบบโนเซนนกินแหละโง่แต่ว่าอวดโง่เขาเรียกว่าโง่แล้วก็แกม้งยิงฉะนั้นขอมัรดาลูกหลานที่รักจงเย้าอย่างนี้เรื่องกันต่อไปพระราชาเยี่ยงโนดัดว่าท่ายอย่างนั้น เราขอมอบภาระหน้าที่นี้ขอให้ท่านเป็นหน้าที่ของท่านอาจารย์ขอท่านอาจารย์จงแบวแก้วมันลีในสามาใหได้ท่าอาจารย์เสียนกในเกนผู้คนบรรลุมช่วยกันวิชนาแลว้วโกยโครออกจากสาโปคลีจนแห้งหมดก็ไม่เห็นแก้มันลีพอน้ำไหลเข้าไปเต็มศาสตามเดิม แสงแก้วมณีก็ปรากฏึ้นอีกท่านเสน็อกก็เกณฑ์ให้คนขุดลงไปอีกวิตน้ำแล้วก็ขุดขุดเอาแก้วมณีให้ได้ไไอ้แก้วมณีนี่มันอยู่ที่ไหนเนี่ยวิตน้ำจนแห้งไอ้แก้วมณีขุดใส่ลึกลงไปว่ามณีไม่ดีมันจะอยู่ใต้ดินแสงไม่จะสะท้อนขึ้นมาทำอย่างนี้ก็ไม่พบแก้วมณี เป็นอันว่าเจ้าเสนกเท่าสารพัพิษคนจังอะไรคนนี้หมดปัญญาที่เวลาติเขานะติได้เนะี่ยแต่เวลาบริหารเขาเองก็ใช้อะไรไม่ได้เลยคนอย่างนี้นําเข้ามาบริหารประเทศก็มันไหลหมด ต, นนติอย่างน้นติอย่างนี้ติปัญญาเขาโมโหสดแต่ตัวทำกับเองก็หมดความสามารถ นีไม่ดีก็เผาบ้านเผาเมืองให้พินาศทำความพินาศทำกำลังใจของคนไทยให้หมดไปทรัพย์สินทั้งหลายที่จะเพินได้ก็ลอยย่อยยับคนไทยคนไทยจนไปทั้งเมืองคนได้ระวังหนะถ้าลูกหลานจะเลือกใครเข้าไปบริหารประเทศเดี๋ยวก็ดูคนแบบเสนกเป็ญยาคบเป็นอังขาดฝ่ายเสยนกหมดปรรัญญาจะได้กล่าบทูลพระราชาว่วา เดขอเนชาข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐข้าพระพุทธเจ้ากเก่งคนให้วิท น, น้ำในสระจนแห้งคนหาแก้วามณีก็ไม่พบพระพุทธเจ้วขา้านี่ตอนนี้พระราชายังตัดเรียกว่าโหสดมาแล้วก็ทรงตัดว่านี่ในมโหสถโลกรักแก้วมณีดวงหนึ่งอยู่ที่สาปกนี อาจารย์เชนกเกงคนไปวิชนาจนแห้งก็หาไม่พบแต่ว่าพอน้ำเต็มสระแสงแก้วมณีก็ปรากฏเจ้าสามารถจะนำแก้วมณีโดนนี้มาได้หรือไม่ถูักลักเพราะว่าท่านเป็นลูกนะท่านให้เป็นลูกนอ้มืหข้อสดบัณฑิตยังกราบทูลว่าข้าพระพุทธเจ้าจะไปพิจารณาดูก่อน เห็นว่าคงไม่เหลือความสามารถที่นำมาได้พระเยาว่ะราชาท่านจึงได้ทรงมีคำสั่งทรงฟังแล้วก็ดีพระไทยัยจึงได้ม่ว่าจะต้องไปดูปัญญาขโมห์สดในวันนี้อีกดูทีแล้วว่าเธอจะทำมาอย่างไงเจ้ามันได้หรือไม่ได้แล้วก็สเสด็จรปริสัตปกคนี้เพราะไม่ได้ข้าได้จ บ, บริพาร พายอาจารย์ดังสี่นั้นก็ตามไปด้วยตั้งใจจะไปนั่งหวเราะเยาะโมโ ห, ะะมะหสถเพราะว่าจนตัวทำวิทน้ำจนหมดเอาโคลนขึ้นมาจนหมดขดลงไปอีกมันเจอะยังไม่เจอแะแ้วมณีคราวนี้เราได้ทีะยายเ ย, ะยะะอะเย้ยโมโหสถให้เต็มที่ที่น่วาสะไว้มโหสดยืนที่ฝั่งพิจารณาดูแสงแกม่มณีที่ปรากฏในสระแล้ว ก็งั้นเขาไปดูบนต้นตาลรู้แน่ว่าแก้วมณีไม่ได้อยู่ในสระความจริงแก้วมณีอยู่บนต้นตานที่ได้กราบทูลว่าขอเลขะฆ่าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐแก้วมณีไม่ได้อยู่ในสระปกตินี้พระเจ้าค่ะอ้อสีเห็นแสงอยู่ในสระแต่ว่าบอกว่าแก้วมณีไม่ได้อยู่ในสระ อาจารย์และฮอกกหาตึงคิดว่าคนนี้แน่แล้วหมอสุดแพ้เราแล้วราชาก็สสงบพระอารมณ์ทรงขันติอดทนและเจเ้ตัดว่าถ้าอย่างนั้นหมอสุดแก้วมณีในสระไม่มีไม่ใช่เลยแก้วมณีนี่มันอยู่ในสระเช่ใช่ไหมหโหสุก็ตอบว่าใช่พิจค่ะ ความจริงแก้วันนีถ้าความจริงมโหสถจะไปโสดให้เห็นความจริงจึงให้คนนำผ้าชนะใส่น้ํามาจนเต็มแล้วเอาไปตรงที่แสงแก้วมั น, นีแสงแก้ววันนีก็ปรากฏในภาชนะนั้นมโหสถจึงกราบทูลพระราชาว่าขอพระองค์จงทอดกเป็นตร แก้วันนี้หาได้ปรากฏในสามไม่แต่ว่าปรากฏในภัชนะนี้พระเจ้าค่ะเอาละสิแก้วันนี้ย่องอยู่ในขันน้ําอยู่แล้วพระราชาจะรับสั่งถามว่าเจ้าบัณฑิตโลกหักถ้าญาณนั่งแก้วันนี้อยู่ที่ไหนอ๋อสดได้กราบทูลพระราชาว่าข้าแต่พระองค์พบศักดิ์ แก้วมณีปรากฏอยู่ในสับป o รณีนี้บ้า ง, ง น, นั่ น, น, วว น, น, น, น, นว่าแก้วแสงแก้วมณีที่ปรากฏอยู่ในสับปก c h ีนี้บ้างแล้วแสงแก้วมณีปรากฏในภาชนะบ้างเจียงบรรณว่าแก้วมณีไม่มียู่ในสับป ochen ีแน่แก้วมณีนี้ต้องอยู่บนต้น ต, ตานขอพระ อ, องค์ได้ทรงให้ราชบัลลขึ้นไปนําลงมาเถิดพระเจ้าค่ะ <c oughs> ตอนนี้เสียจันยิ้มมาเสร็จไม่มีทางแก้วมณีอยู่มันต้นตาลแต่ว่ามีแสงในสะมีแสงในขันมันจะเกิดเป็นความมหัศจรรย์ น, นั่นหมายคือว่าแก้วมณีจนจะ ม, มาเจอสิ่งปาฏิหาริย์ที่ปรากฏขึ้นนี่เป็นการเดาของเขานะให้เจ้าเท่าสารพัดพิษีิแม่มันน่าเบื่อในหลานลูกลูหลานที่รักช่างเถอะเล่ากันต่อไป ราชาจัดให้ราชบุลลุดที่ชำนาญใ น, นการขึ้นตนตาลขึ้นไปดูใหรู้แน่ปนิวก็รู้กันว่นนาใครจะแน่หรือไม่แน่ราชบรัรลุดขึ้นไปบนยอดตานแล้วก็พกแก้วมณีอยู่ในรังกาจึนนมมงได้นํามาส่งใหมโหสถมโหสถรับแก้วมณีแล้วก็นำบัตจวายที่พระหัตถ์ของพระราชา เมื่อหายชนนี้คอยอยู่ในที่นั้นต่างก็แท้แท้สร้างสาธุการสันเสริมมโหสถแล้วก็ด่าว่าตาเสนกเกนกกรจานที่สามตั้งแต่านานาหาว่าไอเจ้าเท่าสารพัดพิษไม่มีความคิดเที่ยวแก้วมณีไม่ได้เนื้อก็ถามอย่างเยอะเย้ยมโหสถทึ่เป็นเด็กกว่ามีอายุเพียงเจ็ดปีเล่นเอาเท่าตาเท่ากาลีนี่หน้าซีดหน้าเสียว เขาบอกว่าอีตาเสียนกบันดิก็ดีแล้วแล้วเพื่อนเพืนก็ดีมันเป็นบันดิกเกนี่ว่าเกณฑคนในวิทย์น้ำเสียแรงเปล่าไร้ประโยชน์ไม่ได้อะไรสู้มโหสถบันดิซึ่งเป็นเด็กเด็กเดพงอายุเจ็ดปีก็ไม่ได้จำไว้มมในรูปหลานที่รักแต่ว่ามโหสถเห็นขบันนาอาจารย์ต่างๆมโหสถก็เฉยวางเฉย ว่า เ, เรื่องของเขาเรื่องของเรามีเท่านี้ต่อมาพระราชาก็ท่ง ส, งสงมอนัดคืดีใจมากทรงพระราทานส้อยมุกดาเรื่องเครื่องบรรดับกระสอเครื่องประดั บ, อดบ ข, อขอบขอบรองให้แก่มโหสดโอ้โหอย่างนี้อาจารย์สังสีก็โอ้โหมากสิแล้วก็ทรงพระยาทานกาําไรมุกดาแกบรรดาพวกเด็กๆที่บริเป็นบริวารพันคน อาณบรรดาท่านพุทธศา ส, สนิกชนและโลกหลานเทารักเรื่องมโหสถบนิตนานกว่าจะจบสำหรับวันนี้ก็อยาข อ, อยุติไว้แต่เพียงเท่านี้การใช้ปัญญาแลูโลกหลานเทรักมีความสำคัญแล้วก็จงอย่าประมาทคนเขาบอกว่าไม้ล้มข้ามได้คนล้มอย่าข้ามถ้าบาังเอิญเห็นใครเ็ามีความโง่เขลามบาปัญญาแก่ตนก็ดี มีฐานะไม่เสมอตอน้นกดีขอลูกหลานที่รักจงเว้นจากการโดูถูกดูหมิ่นแต่ก็มีจิตคิดเม่ตาว่าเขาก็เราเป็นเพื่อนที่รักกันเรารักสุขเกลียดทุกชันใดเขาก็มีความรักสุขเกลียดทุกฉันนั้นฉะนั้นท่าทางเราจะไปเยาะเย้ยเขาเราจะทําลายเขา จะแกล้งแกล้งเขาอันนี้เป็นของไม่ควรดีไม่ดีวันหนึ่งข้างหน้าเขาอาจจะมีบุญวาสนาบรารมีทําตนให้เป็นคนดีสามารถจะบริหารประเทศชาติาศาสนาพ ร, ร, ระมหากษัตริย์และโกงชนชาวไทยให้มีความสุขขึ้นมาคนได้ยงจะทําตนเหมือนพวกคนทางจงอะไรที่มีตัวอย่างมันตั้งแต่สมยัยกรุงศรีอยียสมัยกรงเทพเลยนี่คนดี คนอปรีประเภทนี้เห็นประโยชน์ส่วนตนทำลายบรรดาบิชายชนพระวังสุขส่วนตนโดยเฉพาะอาไรสำหรับวันนี้หวังว่าโดกสารที่รักคงยังมีคติเกิดจากปัญญาขึ้นไปอามากสำหรับวันนี้ก็ขอลา ก, ก่อนขอความสดสวัสดีพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลผลชืลอรูหลานที่รักทุกคนสวัสดี